มันก็มีเป็นคำตอบเป็นระยะระยะว่าจะอยู่อย่างไรก็จะยกตัวอย่างเล่าประสบการณ์นิดนึงเมื่อไม่นานมาเนี่ยมีพระกุณเจ้าบินมาจากทางภาคใต้จวบสงขามาที่ชมรมเพื่อกุฎธรรมเพื่อจะมาสนทนาธรรมกับผมที่ชมรมเนี่ยทัางมาด้วยกันสามรูปถ้ามีคำถามอยู่ข้อหนึ่งคือถามแล้วเนี่ย ถ้าสามารถได้คําตอบทันทีท่านถามว่าเราจะดับทุกข์ให้กับตัวเองได้อย่างไรคําถามย้อนนะอันนี้เป็นคําถามอยู่อย่างไรให้มีความสุขแต่ท่านถามว่าเราจะดับทุกข์กับตัวเราได้อย่างไรทํำยังไงเราจรึงจะสิ้นทุกข์ได้ถามสั้นๆก็เลยตอบขณะที่ถามนะท่านในคุ่นคิดตรอเวลาเลยทานหาคำตอบตรงนี้มานาน อ่านหนังสือฟังธรรมะอะไรก็ไม่เข้าใจมันมีเรื่องราวหลากหลายแต่ว่าสรุปลงไม่ได้ผมก็เลยตอบสันๆว่าก็รู้ความจริงของชีวิตสิเพราะคุณเจ้าก็จะสิ้นทุกอ้อท่านเปลี่ยนเลยสีหน้าท่านเปลี่ยนเลยจากความคลุ่นคิดการเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสอาตมาได้คําตอบแล้วใชก็อยู่แบบรู้ความจริงของตัวเราสิ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 เหมือนแผลเบสซอรเอาความทุกข์ออกนะแล้วก็ความสุขก็จะปรากฏขึ้นในจิตใจเรานะเนี่ยจึงต้องว่าต้องรู้จักความจริงของตัวเราซะก่อน <S <S ทุกจึงจะหมดออกไปจากจิตใจได้และเรื่องความสุขไม่ต้องพูดถึงมันเป็นความสุขที่ไม่มีคาพูดนะมันเป็นแค่ความรู้สึกเหนือความสุข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 ต้องคิดก่อนแล้วค่อยอยู่พอคิดได้แล้วเนี่ยจะทำอย่างไรให้มันมีความสุขแล้วก็จะใช้ชีวิตอย่างไรให้มันมีความสุขนะเดี๋ยวเราค่อยพูดกัน <c oughs> เนี่ยแค่เริ่มต้นนะเราต้องว่านะชีวิตเราเนี่ยมันจะต้องมารู้จักตัวเราเองให้อย่างถูกต้องมันจึงจะพบกับความสุขที่แท้จริงได้เราเข้าใจถึงสิ่งถึงที่ล่ะธรรมดาของชีวิตไหมธรรมดาของชีวิตเนี่ย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 อย่างคนมีสามขาหมามีเขาเต่าเต้นล็อกมันเป็นเรื่องผิดธรรมดาอันนี้คือของแปลกนะถ้าคนสองขาหมาไม่มีเขาเต่าคลานแล้วกอนแล้วธรรมดาบาคนบอว่าแปลกจริงเดี๋ยวเป็นโน่นเดี๋ยวเป็นนี่นนนมันแปลกจริงของแปลกมันนนานมีทีมีบ่อยเลยมันของธรรมดาเนี่ยถ้าเรารู้จักยอมรับความเป็นธรรมดาของตัวเราบ้างเนี่ย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 เดี๋ยวนี้โรคมะเร็งนี่เมื่อก่อนอยู่ไกลนะเดีนี้มันใกล้มาทุกทีแล้วญาติของเราเพื่อนของเราต่อไปก็จะเป็นตัวเราเตรียมใจต้อนรับมะเร็งทางกายหรือยังมะเร็งกายเนะี่ยมันดีนะดีกว่ามันมายิงใจให้เป็นทุกข์ถ้าเรามองว่ามะเร็งนี่คือโรคธรรมดามันไม่ใช่ปัญหามไม่ใช่โรคหรอกเป็นธรรมดาของชีวิตใครใครก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งได้เหมือนกัน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 แต่จิตใจน่ะมันถูกแก้ไขแล้วถูกไหมปัญหานี่มันแก้ไข ย, ยังไม่ได้แต่ใจถูกแก้ไขเห็นยัยงว่าเราเป็นคนจนเราก็จนต่อไปนะแต่วิธีคิดคือคิดไงโอเรื่องจนเนี่เรื่องเล็กไม่เป็นไรหรอกเรายังมีโอกาสหาใหม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเรามีต้นทุนดีกว่าเดิมอี๊กเราเกิดมาเราไม่มีอะไรเลยเสื้อผ้าติดกายก็ไม่มีตอนนี้เรามีเสื้อหนึ่งชุดแล้วกางเกงชุดแล้ว คิดตอนนี้แง่ดีเนี่ยมาใจเราก็สบายเพราะนั้นปัญหามันดีไม่ถูกแก้ไขโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดขึ้นบางทีคุณหมอยังไม่ได้รักษาหรือรักษายังไม่หายต้องรอเวลาแต่ใจเราสามารถคิดว่า๋อ oh, แม่เป็นไรหรอไอความป่วยไข่เนี่ยเขามาสอนทำให้เราให้เรารู้จักว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรสิที่ผ่านมาเราควรจะใช้ชีวิตไม่ถูกต้องเราคิดคร่ครวร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 จิตเป็นเพียงแค่ผู้รับรู้รับทรบาบเราดูกายที่มันปวดมันเมื่งหรือว่ามีโรคไปแค่เจ็บบ่อยๆจะเห็นว่าอ อ, า อ, อนัน่นเหมือนเรากําลังดูคน <c oughs> อื่น <c oughs> ที่กําลังปวดเมื่อยดูคนอื่นที่กําลังเป็นทุกข์ซึ่งไม่ใช่เราใช <c oughs> <arrogant> มันแยกกายแยกจิตได้อย่างเนี้มันจะลาออกจากทุกข์ทางกายได้ตอนที่การเฝ้าดูกายแต่เห็นทุกขเวทนาสักแต่ว่ามันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวเรากันใหญ่เป็นสักแต่ว่าเป็นเพียงแค่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 เราอยู่สภาพที่ทนได้แระยะทนได้ไอ้ที่ทนไม่ได้เพราะเราปรุงแต่งกายก็เจ็บใจก็ทุกข์ <c oughs> หมดเนื้อหมดตัวแบบความทุกข์เลยพระพุทธองค์ต้องบอกว่ามันถูกลูกศรสองดอกเสียบเสียบกายกับเสียบใจแต่ถ้าเรามาจารสติเฝ้าดูอยู่ลูกศรเสียบเฉพาะร่างกายใจไม่ถูกเสียบ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 แต่พ่โดนฉีก็เป็นจริงแล้วเนี่ยมันเจ็บนิดเดียวมันไม่เจ็บด้วยบานบอกมันคันๆเหมือนมดกัดเน่ยทุกข์ล่วงหน้าไปต้องลานแต่ว่าทุกกายไม่เท่าไหร่เราเจ็บนิดเดียวแต่ทุกตจิตที่มันปลุงแต่งใช่ไหมเขาเรียกว่าตีตนไปก่อนไข้ทุกฟรีๆเพราะฉะนั้นสําคัญมากการเจติตระสติการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการให้รู้ความจริงของกายของจิตอ๋อกายเนี่ยมันสัรรมว่ากายนะ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 เป็นทุกข์มากนอนไม่หลับเครียดอยากฆ่าตัวตายแต่ก่อนตายขอปรึกษาก่อนเผื่อจะรอดโทรไปจังหวัดเลยนะเมื่อวานเนี่ยรับโัพปั๊บบอกจะตายเยยาเพิ่งเเดี๋ยวยาเพิ่งยาเพิ่งตายเลยวันนี้อ <c oughs> บอกเอาไว้ก่อน <c oughs> คุยทิ้ก่อนบอกไหนมีปัญหาอะไรบอกเขาปวดมากปวดจนทุกข์มากแล้วมันู้จะแก้ปัญหาอย่างไรกินยาแล้ว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 นอนไม่หลับก็อย่าไปนอนดิ้นอยู่บนเตียงให้มันหลับมันจะอึดอัดลำคาญลุกมาเลยลุกมาทำอะไรเราก็มาปฏิบัติธรรมสิพเพราะเบอกเขาเคยไปนักปฏิบัติธรรมมาเมื่อสามสิบปีก่อนทำมาเมื่อสามสิบปีก่อนและดูว่าไม่เป็นไรก็เลยประมาทมาเรื่อยอีกสามสิบปีหลังนี่แบกแต่ความทุกข์บอกไม่เป็นไรหรอกพอจะลื้อฟื้นได้ไหม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 เอาการนอนไม่หลับให้เป็นประโยชน์ลูกมาภาวนายันสว่างไปเลยทำจิตให้มันกล้าหาญเห็นเขาบอก ข, อขี้เกียจนั่นหละผมควรตายจะหายเพราะเราคิดเอาไม่ได้หรอกลองต้องมีวิธีการปฏิบัติเห็นเปลี่ยนจิตมาอยู่ในมจหายใจไม่อพุโทโธหายใจก็าพุทหายใจ้าราลองคิดเรื่องพุโทโธไวเอาจิตแขวนไวที่พุโทโธเป็นอารมณ์บุญนะเห็นไห มันวางจากทุกเวทนามาจับฝ่ายกุศลเลยรับรองถ้าเราท้าแบบนี้นะถ้าไม่หลับจะภาวนาให้สว่างเดี๋ยวมันก็หลับแล้วเอาจริงเข้ามันก็จะหลับแล้วมันอุบายมากมายเพราะฉะนั้นให้เขาเปลี่ยนอ่เดี๋ยวมีอะไรก็โทรมาหนะ้าวันนี้นะเขาฟังผลเขาไม่โทรมาเลยสงสยยัยจะไปสู่สุคติแนละ้วเขาฆ่าไม่ได้หรอกเพราะฟังน้ําเสียงแล้วไม่เห็นใจแต่รู้ว่าเขากลัวตายอยู่ไม่เป็นไรนะ เนี่ยปัญหาเป็นแบบเนี้ยปัญหาทางกายแต่ใจเป็นทุกข์เพราะ้นเวลาใครก็ตามที่ป่วยไข่เนี่ยอย่าไปทอแท้ใจเอาการป่วยไข่เนี่ยมาเป็นครูสอนธรรมะเลยเราอาจจะบรรลุธรรมด้วยการป่วยไข่ของเราก็ได้อย่าดูถูกนะสมัยพุทธกาลน่ยมีพระรูกหนึ่งที่ว่าพัตติสะเทระเป็นโลกผู้พองเต็มตัวเลยไม่มีใครสนใจ ผู้เจ้ า, เาต้องไปพยาบาลเองเปลี่ยนจีวรเอาจีวรมาซักแล้วก็ป้มจีวรแล้วก็อาบน้ําเช็ดเนื้อเช็ดตัวกับพระติสเจระเอาน้ําอุ่นเอาน้ําอุ่นเช็ดตัวขนาดเช็ดตัวนี่ผู้เจ้าก็สอนว่าแม้ร่างกายเธอจะกระสับกระสายแต่ใจเธอจะไม่กระสับกระสายมีกําลังใจไหมคือแม้ร่างกายจะกระสับกระสาย แต่จิตใจเธอจะไม่กระสับกระสายแสดงว่ากายกับจิตนี่มันอันเดียวกันไหมไม่ใช่ทำหน้าที่ต่างกันกายมี้ที่กระสับกระสายใจมีหน้ที่รับรู้รับทราบไว้ไม่ได้เป็นแยกกายแยากายจิตและพุทองค์ตัดสอนเป็นขั้นสุดท้ายว่าเป็นภาษาบาลีเรียกว่าอัจจิลังวัตยังกาโย ο, ปฏิเวงนิเศสติชุโตโธเปตวิญญาโนนิรถังวัทลิงกะลัง อันนี้เป็นบทบางสกุลเป็นเขาบอกว่ากายเนี้จักไม่นานหนอจะต้องถมทับแผ่นดินเมื่อจิตวิญญาณออกไปจากร่างกายแล้วร่างกายก็คือท่อนไม้ท่อนฝืนหาประโยชน์ไม่ได้พัติสบรรลุธรรมเป็นหารตันทีในท่ามกลางความป่วยไขย้ได้ฟังพร้อมกันแล้วนะมีใครทาท่าจะเป็นอริยะบ้างกีเ <laughs> พราะนั้นเราสามารถจะบรรลุธรรมได้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 ชีวิตที่พิการมา30สิปีกระทั่งวันนี้ตั้งเดี๋ยวเนี้ยอยู่มาได้เพราะอะไรร่างกายต้องพิการตลอดชีวิตใจก็มีแต่ความผิดหวังมีแต่ความคิดคิดคิดถ้าไม่มีเครื่องอยู่ของจิตเนี่ยเราจต้องคิดจนเป็นโรคจิตโรคประสาทนอาฆ่าตัวตายจนอายแมวไปแล้วก็ได้ทนบานเนียสามารถนั่งอยู่บนนี้ได้ก็เพราะว่าเรามีวิธีการปฏิบัติอาศัยการจิสตินี่แหละ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 จิตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะรู้เต่าทันความคิดอ้อยความคิดต่างหากเป็นต้นตองความทุกข์ทั้งหลายคิดว่าไอ้ความพิการเป็นเราการป่วยไข้เป็นเราไอ้แกๆ่ๆสั ป, ประรังเคสนี่คือของเราพราะไปคิดยึดมั่นว่าเป็นเราอ๋อรู้ทันเจ้าความคิดมันจะมาหลอกจิตเราไม่ได้อีกแล้วว่าเลาะย่ความคิดตัวเองมันคิดปรุงแต่งไม่ได้หยุดทํางานงทันทีเลยความคิดจิตก็เป็นิสระ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 ต่างกันไหมอย่างเมื่อกี้นยะยกตัวอย่างเนี่ยเราจะถูกฉีดยาเราคิดรู้มันเจ็บแต่สัมผัสรู้เนี่ยมันไม่เจ็บที่เราคิดหรอกเพราะนั้นสัจธรรมที่แท้จริงเนี่ยต้องสัมผัสรู้จะอยู่อย่างไรให้ใจไม่ทุกข์เนี่ยมันมีคำตอบอยู่แล้วมีคำตอบถ้าเราลองปฏิบัติธรรมคือการเจริญสติมาดูตัวเราเนี่ยเราจะได้แต่คาตอบสัจธรรมไม่มีคาถาม ใจทามีแต่คำตอบคำเฉลยตลอดเวลาเลยคนที่บรรลุธรรมเนี่ยจะพูดในคำเดียวอ๋อ ถ, ถ้าถึงบางอ้อมีสติรู้กายอ๋ออย่างนั้นมีสติรู้จิตอ๋อมันมีแต่คำตอบไม่มีถามว่าทำไมจิตเป็นอย่างนี้ทำไมเว้นกรรมแล้งเราทำไมทาไมคำว่าทำไมเนี่ยถามไปเถอะแต่เกิดจนตายรับรองจะไม่ได้คำตอบ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 เรืเร่องเดียวกันนะแต่คนอื่นร้องไห้เสียใจแต่เราสามารถเป็นปกติได้นะเอาละ้นะอันนี้ก็ขอเวพรใ น, น, นทุกทุกท่านเนี่ยที่ได้รับฟังในวันนี้เนี่ยก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์มากกว่า น, น้อยนะก็จำเอาไปเป็นแง่คิดนะไมว่าสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขอเวพรใ น, นทุกๆท่านจงมีความเจริญความผาสุกทั้งด้านกายและจิตใจแม้กายเป็นทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด ตรงนี้มีคำถามอยู่ในมือแล้วสองคำถามนะคะคำถามแรกขอเรียนถามอาจารย์นะคะอยากให้อาจารย์ช่วยเสนอแนะวิธีสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กไทยไทยอ่ะคะ่ะเด็กไทยของเราให้มากๆเลยอ่ะคะ่ะอาจารย์มีข้อเสนอแนะวิธีการสร้างคุณธรรมอย่างไรอ่ะคะตามคำที่เราเคยดอินบ่อยๆเป็นสุภา ษ, ษ, ษิตว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าใช่ไหม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 ผู้ใหญ่ต้องมีศีลคำว่าศีลห้านี่ไปศีลความเป็นมนุษย์นะใครก็ตามที่ศีลห้าไม่ครบนี่ยังไม่ใช่มนุษย์นะเป็นเพียงแค่คนคนก็คือจัตเจจานที่อยู่ในภพภูมิเดียวกันเขาบอกว่าสัตว์กับคนเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่4อย่างคือสัญชยาตญาณการกินการนอนการเสพกรามการกลัวภยัย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 แต่อย่าคาดหวังว่าเมื่อเธอมีสินแล้วเธอเป็นเด็กเธอไปนิพพานก่อนเดี๋ยวแม่ไปทีหลังอย่าคาดหวังในความดีที่เราให้เด็กที่ปลูกฝังดีแล้วทาหน้าที่ปลูกฝังส่วนเด็กจะรับได้แข่ไหนนั้นต้องเข้าใจเขานะเนี่ยคนใกล้ตัวต้องทำดีก่อนนะแล้วเด็กก็จะดีเองค่ะขอบพระคุณค่ะก็อีกคาถามนึงนะคะถาม่าว่า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 ลองฟังทำลองคิดไคร่กวนตามธรรมะแล้อลองปฏิบัติทำดูน่นดูตัวอย่างคุณวีระเห็นไหมเขาทุกกับเราแค่ไหนเขาคิดฆ่าตัวตายทุกวันทีด่าภรรยาด่าสามเวลาที่คิดฆ่าตัวตายฆ่าก่อนนอนตอนเดียวแต่เขาเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาสนใจธรรมะหันเหชีวิตมันสนใจธรรมะเป็นจุดเปลี่ยนจุดหักจุดเถะแล้วเขาก็มีความสุขได้ซึ่งคนโป๊ติยัง สุขได้ไม่เท่าเขาก็มีนะทวดเนี่ยผมถามเขาก็บอกว่าอยากหายไหมบอกไม่อยากหายแนละ้วพิการยังมีความสุขกว่าเป็นคำตอบที่เขาตอบด้วยความจริงใจเพราะนั้นหาตัวใหญ่เขาดูเิธีกันก็คือคนแนะนำต้องทำให้เขาเห็นด้วยให้เขาทำความสุขตรงนี้ปฏิบัติตัวนี้คนแนะนำยังเครียดอยู่เลยคนไปช่วยเหลือคนพิการใจายางพิการอยู่ช่วยไม่ได้นะ อย่างน้อยเราไปช่วยเขาใจเราต้องมีพิการยิ้มแย้มจจ่สใสมีความเบิกบานใจอารมณ์ดีเราก็จะได้บุญและเขาก็มีความสุขด้วย